เรื่อง l i f e in the World unseen ตอนที่หนึ่งมรณกรรมท่านผู้อ่านทั้งหลายคงอยากทราบว่าข้าพเจ้าเป็นใครท่านทั้งหลายข้าพเจ้านั้นแม้เดิมจะมียศตำแหน่งในทางโลกอยู่บ้างแต่บัดนี้ได้ละทิ้งสิ่งสมมติเหล่านั้นมาแล้วโดยสิ้นเชิงเพระบรรดายศฐานบรรดาศักดิ์ทางโลกทั้งหลายนั้น เรานำติดตัวมาด้วยไม่ได้เลยแม้แต่น้อยหลังจากการแตกสลายแห่งร่างกายแล้วสิ่งที่จะนำติดตัวมาได้มีอยู่อย่างเดียวคือสภาพแห่งจิตของเราเท่านั้นท่านมีจิตอยากหรือประนีตเพียงใดก่อนแต่มรณกรรมความอยากหรือประนีตแห่งจิตของท่านเท่านั้นที่จะเป็นสมบัติติดตามไปในโลกหน้ามาถึงตอนนี้ ท่านคงอยากทราบต่อไปอีกว่าข้าพเจ้าเคยเป็นใครหรืออะไรมาบ้างในอดีตสําหรับข้อนี้ข้าพเจ้ายินดีจะเล่าความเป็นไปของตนเองให้ท่านฟังบ้างเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านได้บ้างตามสมควรอันที่จริงชีวิตของข้าพเจ้าในสมัยเมื่อยังครองกายเนื้อนานก็มีทั้งความสบายและความลําบากไปคนละอย่าง ข้าพเจ้าไม่เคยได้รับความลำบากเกี่ยวกับความยากจนก็จริงแต่ข้าพเจ้าก็เป็นผู้ทําความเพียรในการศึกษาและในทางจิตมาม่ใช่น้อยนิสัยของข้าพเจ้าเป็นคนชอบในทางศาสนามาตั้งแต่เยาว์วัยจึงไม่เป็นการประหลาดที่ข้าพเจ้าจะต้องรู้สึกประทับใจในแสงสีและเสียงแห่งพิธีกรรมในทางศาสนาอย่างง่ายดายในสมัยนั้น ข้าพเจ้าก็เช่นเดียวกับคนส่วนมากคือเชื่อตามตามกันไปในเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาโดยไม่ได้สนใจคิดหาเหตุผลและความจริงแต่อย่างใดเมื่อข้าพเจ้าเจริญวัยขึ้นได้บวชเป็นพระก็ศึกษาธรรมและเทศสั่งสอนประชาชนไปตามข้อความในคำพีซึ่งต่อมาภายหลังก็ทำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีชื่อเสียงได้การแต่งหนังสืออยู่ไม่น้อย ข้าพเจ้าเคยได้เห็นนิมิตจากการบำเพ็ญเพียรทางจิตยอยู่บ้างเป็นบางครั้งแต่ก็มักจะได้รับการวิพากษ์วิจารว่าเป็นภาพมายาที่พวกผีปีศาจแสดงหลอกหลอนให้เห็นจึงทำให้ข้าพเจ้าเองบางครั้งก็ไม่แน่ใจในตนเองเหมือนกันความจริงเรื่องเหล่านี้เมื่อข้าพเจ้าได้ละกายเนื้อมาสู่โลกทิพย์ในบัดนี้แล้ว จึงได้เห็นความจริงว่าเรื่องที่เกี่ยวกับโลกหน้าอันปลากฏอยู่ในคำทีศาสนานั้นให้ความประจ่างได้น้อยเหลือเกินและส่วนมากก็ไม่ตรงกับความจริงซะอีกด้วยนี่คือความเป็นมาในอดีตของข้าพเจ้าโดยสังเขปบัดนี้ข้าพเจ้าจะเล่าให้ท่านฟังถึงสภาพที่บังเกิดขึ้นในขณะเมื่อจิตกาลังจะพระากจากร่างกายความจริง ในขณะที่กายเนื้อจะถึงความแตกดับนั้นไม่จำเป็นจะต้องประกอบไปด้วยทุกขเวทนาอันรุนแร ง, สงเสมอไปเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นมนุษย์อยู่นั้นก็เคยได้เห็นวิญญาณออกจากกายเนื้อเข้าสู่โลกทิพย์หลายครั้งด้วยกันนอกจากนั้นก็มีบ่อยครั้งที่ข้าพเจ้าได้เห็นด้วยตาเนื้อธรรมดานี่เองว่า ในขณะที่ดวงจิตกาลังจะแยกตนเองออกไปจากกายเนื้อนั้นต้องต่อสู้และดิ้นรนอย่างรุนแรงเท่าที่ปลากฏเราจะรู้สึกเหมือนว่าในขณะที่จิตก็ลังจะออกจากร่างนี้จะต้องมีความเจ็บปวดอย่างแรงกล้าหรือไม่ก็คงต้องได้รับการทรมานจากการไช้ใจไม่ใช่น้อยเพราะในขณะนี้ การหายใจจะรู้สึกว่าเป็นไปอย่างลาบากมากและลมหายใจจะสั้นเข้าทุกทีด้วยเหตุดังกล่าวมาบุคคลส่วนมากจึงหวาดเกรงต่อความตายเพราะคิดว่าคงจะเต็มไปด้วยทุกขเวทนาแสนสาหัสข้าพเจ้าเองก็เคยสงสัยและถามตัวเองในเรื่องนี้มาแล้วไม่น้อยครั้งได้เคยค้นคว้าหาความรู้จากข้อความในคำภีร์ต่างๆ แต่ก็ไม่ปรากฏว่าได้มีอธิบายไว้ในที่แห่งใดโดยละเอียดแจมแจ้งในเรื่องนี้ท่านโบราณอาจารย์ทั้งหลายไม่ได้ให้ความกระจ่างแก่เราในเรื่องนี้เลยเพราะเหตุผลประการเดียวคือท่านเองก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างไรก็ตามข้าพเจ้ามีความรู้สึกอยู่เสมอว่าความตายไม่น่าจะเป็นสิ่งที่หวาดเสียวถึงเพียงนั้นข้าพเจ้ารู้อยู่ว่า วันหนึ่งคงจะต้องได้เผชิญคําตอบปัญหาเรื่องนี้ด้วยตนเองซึ่งข้าพเจ้าก็หวังว่ามรณ ก, กรรมของข้าพเจ้าคงจะไม่เกิดจากเหตุอันรุนแรงเกินไปนักความหวังของข้าพเจ้าเป็นผลสําเร็จการแตกสลายแห่งร่างกายของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นไปด้วยวิธีอันรุนแรงสมตามประสงค์แต่ก็มีความลําบากอยู่บ้าง เช่นเดียวกับที่ข้าพเจ้าเคยประสบมาในรายบุคคลอื่นๆก่อนหน้าจะถึงกำหนดมรณะนั้นข้าพเจ้าเองก็มีความรู้สึกอยู่ว่าวาระสุดท้ายของตนกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะในขณะนั้นข้าพเจ้ากำลัง น, น, นอนเจ็บอยู่บนเตียงรู้สึกมีความหนักอึ้งในจิตใจเป็นความรู้สึกคล้ายๆกับง่วงนอนหลายครั้ง ข้าพเจ้ารู้สึกคล้ายๆกับว่าตนเองกําลังลอยออกไปแล้วก็ค่อยๆลอยกลับเข้ามาใหม่ข้าพเจ้าเชื่อว่าในระหว่างนี้ผู้ที่เฝ้าดูอาการอยู่ข้างเตียงก็คงจะรู้ว่าแม้ข้าพเจ้าจะยังไม่ตายก็คงกําลังซุดหนักลงไปทุกทีตลอดเวลาที่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองกําลังลอยออกไป และลอยกลับเข้ามาหลายครั้งหลายคราวนี้จำได้ว่าไม่ได้รับทุกขเวทนาเช่นความเจ็บปวดหรือความอึดอัดแต่อย่างใดเลยขบะเจ้ายังคงสามารถเห็นความเป็นไปในห้องนั้นและยังคงได้ยินว่าบุคคลในห้องนั้นพูดอะไรกันบ้างและขบะเจ้าก็รู้สึกว่าอาการของขบะเจ้า ได้ก่อให้เกิดความหมดหวังแก่ผู้ที่เฝ้าดูอยู่โดยรอบแต่แม้กระนั้นข้าพเจ้าก็กลับมีความรู้สึกปีติยินดีและตื่นเต้นอย่างที่ไม่เคยมีมาแต่ก่อนขณะนี้ข้าพเจ้ารู้แน่แล้วว่าข้าพเจ้ากำลังจะตายและก็รู้สึกกระตือรือรน้นอยากจะตายเสียเร็วๆในระหว่างนี้ ข้าพเจ้าไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวสงสัยหรือเสียใจอย่างใดเลยในการที่ต้องจากโลกนี้ไปคงต้องการอยู่อย่างเดียวคืออยากไปใช่ให้พ้นเท่านั้นทันใดนั้นเองข้าพ เ, เจ้าก็เกิดความรู้สึกอยากจะลุกขึ้นอย่างรุนแรงและก็รู้สึกว่าตนเองกำลังจะลุกขึ้นจริงๆแต่ในขณะเดียวกันก็ได้เห็นว่า ผู้ที่ได้เฝ้าดูอาการอยู่โดยรอบนั้นหาได้เห็นหรือไม่ว่าข้าพเจ้ากำลังลุกขึ้นเพราะเขาเหล่านั้นไม่ได้เข้ามาช่วยประคองข้าพเจ้าหรือห้ามปลามมิให้ลุกขึ้นแต่อย่างใดเลยบัดนี้เมื่อข้าพเจ้าลุกขึ้นตามความรู้สึกของตนเองเช่นนี้แล้วจึงได้หันไปมองดูรอบๆก็ได้เห็นร่างอันปราศจากชีวิตของข้าพเจ้านอนทอดอยู่บนเตียง แต่ตัวข้าพเจ้าเองซึ่งเป็นตัวที่แท้จริงยังคงมีชีวิตและรู้สึกสบายดีข้าพเจ้ายังคงจ้องดูร่างของตนเองอยู่เช่นนั้นอีกพักหนึ่งพร้อมกับนึกประหลาดใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีข้าพเจ้ายังคงมองเห็นความเป็นไปต่างๆในห้องนั้นอย่างชัดเจนแต่ก็รู้สึกเหมือนว่า มีหมอกบางๆคล้ายกลุ่มควันลอยอยู่โดยทั่วไปในห้องนั้นข้าพเจ้าก้มลงมองดูตัวเองโดยอยากจะทราบว่ามีเสื้อผ้าชนิดใดสวมอยู่บ้างหรือเปล่าและก็รู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่เห็นว่าตนเองกำลังสวมผ้าชุดเดิมนั่นเองแต่แล้วก็ระ ง, งับความประหลาดใจไว้ได้เพราะคิดว่า ถ้าไม่ได้สวมเสื้อผ้าชุดนั้นแล้วจะควรสวมชุดใดนอกจากนี้แน่นอนทีเดียวคงจะไม่ใช่เสื้อผ้าชุดโป่งตาแบบที่เรายกให้เป็นของเทวดาสวมอยู่เป็นแน่เพราะข้าพเจ้าก็เชื่อว่าตนเองคงยังไม่ถึงขนาดที่จะเป็นเทวดาได้อย่างแน่นอนตอนนี้เองข้าพเจ้าเริ่มหวนระลึกถึงความรู้เก่ า, เ, าเก่าเกี่ยวกับโลกทิพ ที่เคยค้นความรวบรวมมาประติดประตอร่อกันเข้าในสมัยเมื่อ ย, ยังเป็นมนุษย์เขาพรเจ้ารู้ทันทีว่าบัดนี้ข้าพเจ้าได้ตายแล้วแต่ก็รู้อีกว่าข้าพเจ้าก็ลองมีชีวิตอยู่ในบัดนี้ข้าพเจ้าตระหนักดีว่าได้สลัดทิ้งความเจ็บปวดเข้าร่างกายออกไปแล้วในระหวานน่างนี้รับรองว่าไม่มีความรู้สึกสลดใจหรือเสียใจ ในสภาวะที่ชาวโลกมนุษย์สมมติเรียกกันว่าความตายนี้เลยคงมีอยู่แต่ความประหลาดใจว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีเพราะบตดนี้ข้าพเจ้าก็ยังมีอินทรีย์รับความรู้สึกต่างๆได้เหมือนเดิมและยังรู้สึกว่ามีร่างกายอยู่อย่างแท้จริงยิ่งกว่าเดิมเสอีกเท่าที่ได้บรรยายมาตั้งแต่ต้นนี้อาจจะค่อนข้างยาวอยู่บ้าง ทางนี้ก็เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้ทราบความเป็นไปโดยละเอียดซึ่งอันที่จริงเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เมื่อคิดตามกำหนดเวลาของโลกมนุษย์คงกินเวลาสองหรือสามนาทีเท่านั้นขณะนี้เองข้าพเจ้าก็เห็นเพื่อนของข้าพเจ้าผู้หนึ่งซึ่งเป็นนักบวชเหมือนกันแต่ได้มาสู่โลกทริปนี้ก่อนข้าพเจ้าประมาณสองหรือสามปี เราได้ทักทายปลาสายกันด้วยความยินดีและข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นว่าเขานุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าแบบเดียวกับข้าพเจ้าเหมือนกันในระยะแรกๆข้าพเจ้าปล่อยให้เขาเป็นผู้พูดจะเป็นส่วนมากเพราะข้าพเจ้าต้องการจะปรับปรุงตนเองให้คุ้นเคยกับสภาวะอันใหม่นี้ซะก่อนข้าพเจ้าเพิ่งหลุดพ้นจากความป่วยไข้ามาเมื่อครู่นี้เองเพระเาะได้พากจากกายเนื้อมาเซดา ดังนั้นความรู้สึกปีติปราโมที่ได้เป็นอิสระจากความทรมานของร่างกายนี้จึงมีอยู่ไม่น้อยซึ่งทําให้ข้าพเจ้าอยากจะชื่นชมกับความรู้สึกอันนี้ต่อไปอีกนานๆเพื่อให้อิ่มใจเสียก่อนเพื่อนของข้าพเจ้าก็ดูไม่จะรู้ความจริงข้อ น, นี้ดีขณะแรกที่ข้าพเจ้าเริ่มเอ่อยปากพูดนั้นข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นว่าเราพูดกันตามปกติ เช่นที่เรากระทากันในโรกมนุษย์นั่นเองคือเราพูดกันด้วยาสายหลอดสายเสียงแล้ลาคอเหมือนกันในที่สุ ด, สดเพื่อนของข้าพเจ้าก็บอกให้ข้าพเจ้าเตรียมตัวคอยรับสิ่งที่แปลกประหลาดน่าชื่นชมยินดีมากมายหลายอย่างซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าและกล่าวต่อไปว่าเขาได้ถูกทรงตัวมาทางนี้ก็เพื่อให้มารับข้าพเจ้าโดยเฉพาะ และเนื่องจากบัดนี้ไม่มีความจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องอยู่ที่นี่อีกต่อไปเขาจะพาข้าพเจ้าไปส่งยังสถานที่ที่ได้จัดไว้ให้เป็นบ้านของข้าพเจ้าแล้วซึ่งข้าพเจ้าก็ตกลงรับคำม่่อภัเขาเป็นผู้นำทางโดยทันทีเพราะจนบัดนี้ข้าพเจ้าก็ยังหาทราบไม่ว่าเราจะไปยังสถานที่นั้นได้อย่างไรอย่างไรก็ตาม ก่อนจากไปข้าพเจ้าก็ยังอดเหลียวกลับไปมองดูห้องเดิมของข้าพเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายไม่ได้ปรากฏว่าในห้องนั้นก็ยังคงมีหมอกบางๆปกคลุมอยู่เช่นเดิมผู้ที่ยืนอยู่รอบๆเตียงนอนบัดนี้ก็ถอยห่างออกไปและข้าพเจ้าก็สามารถเข้าไปใกล้เตียงนอนจ้องดูตัวของข้าพเจ้าเองได้ถนัดตาไม่มีความเสียใจหรืออะไรอย่างใดทั้งสิน้น แต่ก็รู้สึกว่าได้เห็นภาพชัดเจนจริงๆเพื่อนของข้าพเจ้าจึงกล่าวชวนขึ้นว่าถึงเวลาที่เราจะต้องไปกันแล้วดังนั้นเราจึงจากที่นั้นไปยิ่งหากจากห้องออกมาก็ปรากฏว่าห้องนั้นมีหมอกควันปกคลุมหนาขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุดภาพนั้นก็จางหายไปกับสายตาอันที่จริงจนถึงขณะที่กล่าวมาแล้วนี้ ข้าพเจ้าก็ยังคงเคลื่อนไหวโดยใช้เท้าเดินแบบธรรมดานั่นเองแต่เพื่อนของข้าพเจ้าแนะว่าเนื่องจากข้าพเจ้าเพิงหลุดพ้นจากความป่วยไข่ามาใหม่ๆควรจะได้รับการพักผ่อนโดยอย่าออกกำลังให้มากนักด้วยเหตุ น, นั้นเขาจึงเสนอความเห็นว่าไม่ควรจะเคลื่อนไหวโดยแบบที่เคยกระทำมาแล้วคือโดยใช้ขาเดินต่อจากนั้น เขาจึงบอกใข้าพเจ้ายึดแขนเขาไว้ให้แน่นและไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิน้นอันหนึ่งข้าพเจ้าจะหลับตาเสด้วยก็ได้ในทันใดนั้นเองพอข้าพเจ้าจับแขนเขาและหลับตาก็รู้สึกว่าตัวลอยขึ้นเหมือนกับความฝันฉะนั้นผิดการณ์ก็แต่ในขณนะนี้มันเป็นความจริงที่สุดการเคลื่อนไหวโดยการลอยนี้ยิ่งนานขึ้นก็ยิ่งเร็วขึ้นทุกที ตลอดเวลานี้ข้าพเจ้าก็หลับตาแน่นด้วยความไว้ใจในตัวเพื่อนของข้าพเจ้าอย่างเต็มที่ครู่หนึ่งต่อมาความเร็วก็ค่อยๆลดลงบ้างและในไม่ช้าข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเท้าเหยียบวัตถุแข็งๆเข้าอย่างหนึ่งเมื่อลืมตาขึ้นตามคำสั่งของเพื่อนผู้นำทางข้าพเจ้าก็ต้องประหลาดใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นบ้านของข้าพเจ้าที่อยู่ในโลกมนุษย์นั่นเอง เป็นบ้านเหมือนหลังเดิมที่ข้าพเจ้าเคยอยู่ในโลกมนุษย์จริงๆแต่ก็ได้รับการปรับปรุงเช่ใหม่อย่างที่ข้าพเจ้าคิดว่าแม้ตนเองก็คงไม่สามารถกระทําได้อย่างน่าดูน่าชมเช่นนี้และโดยเฉพาะสวนที่อยู่รอบบ้านนั่นเองที่สะดุดตาข้าพเจ้ามากกว่าสิ่งอื่นเป็นสวนกว้างขวางมากและได้รับการรักษาไว้เป็นระเบียบเรียบร้อย อย่างที่ข้าพเจ้าไม่สามารถที่จะบรรยายให้เห็นได้ว่าเรียบร้อยและสวยงามเพียงใดไม่มียญ้ารกหรือเทาวันต่างๆให้เห็นเลยในบรรดาดอกไม้เหล่านั้นเมื่อข้าพเจ้าตรวจดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็กล่าวได้ว่าไม่เคยเห็นมีดอกไม้ที่ใดๆในโลกมนุษย์ที่ออกดอกบานสะพางกันอยู่อย่างมากมายและสวยงามเช่นนี้เลยจริงอยู่ บางอย่างก็เป็นดอกไม้ซึ่งมีอยู่ในโลกมนุษย์เหมือนกันแต่มีจำนวนมากมายเหลือเกินในที่นี้นอกจากความสวยงามในด้านสีสันวนะันณะและจำนวนดังกล่าวมาแล้วยังมีคุณลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งคือรู้สึกเหมือนว่าดอกไม้ทิพเหล่านี้จะส่งกระแสทานแห่งชีวิตที่รันดอนออกไปรอบด้าน ในขณะที่เราเดินเข้าไปใกล้กระแสทานดังกล่าวนี้มีพลังที่ให้ความชุ่มชื่นแก่ดวงมิจยาเป็นพิเศษเพื่อนของข้าพเจ้ากล่าวว่าดอกไม้เหล่านี้ไม่มีการเหี่ยวแห้งหรือโรยราเลยยังมีคุณลักษณะอันมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ก็รู้สึกว่าได้ยินเสียงดนตรีแววอยู่รอบๆ บ, บริเวณดอกไม้นี้ ซึ่งทำให้รู้ว่าเป็นการผสมผสานกันอย่างถูกส่วนดียิ่งระหว่างสีสันอันงดงามประการตาของดอกไม้และเสียงเพลงที่แว่วดังวังเวงใจอยู่โดยรอบความจริงข้าพเจ้าก็ไม่มีความรู้ในทางดนตรีมากพอที่จะสามารถบรรยายให้ท่านเห็นแจ่มแจ้งโดยอาศัยเทคนิคของวิชาดนตรีเป็นหลักได้ดังนั้น จึงไม่สามารถพรรณนาความโกลงกลืนกันของสีและเสียงที่กล่าวมาแล้วให้มากไปกว่านี้ได้สรุปความว่าไม่ว่าจะเหลียวมองไปทางใดข้าพเจ้าก็รู้สึกว่ามีแต่ความเจริญตาจเจริญใจหาสิ่งที่ขัดในตาม น, นี้ได้เลยตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าเดินไปตามทางในสวนนั้นเราได้เดินไปบนหญ้าซึ่งอ่อนนุ่ม จนทำให้รู้สึกเสมือนว่าเรากำลังลเดินอยู่บนอากาศฉะนั้นในบริเวณยังมีต้นไม้หลายพันขึ้นเรียงรายอยู่โดยรอบทุกต้นเราจะไม่เห็นความโคดงอบิดเบี้ยวจนเสียรูปทรงดังที่เรามักจะเห็นกันอยู่ในโลกมนุษย์นั้นเลยทุกต้นงอกงามสมบูรณ์ไม่มีอันตรายเกิดจากลมพายุที่จะบิดหรือหักกิ่งแรกกิ่งน้อยของมัน ไม่มีมแมลงที่เป็นศัตรูพืชเหมือนดังต้นไม้ในโลกมนุษย์ทั้งหมดชูลำต้นแตกช่อเขียวุ่มส่งกระแสทานแห่งชีวิตออกไปรอบด้านซึ่งผู้เข้าไปใกล้จะรู้สึกถึงการสัมผัส ข, ของกระแสทานนี้ได้ทันทีข้าพเจ้าได้สังเกตเห็นความจริงอีกอย่างหนึ่งที่ใต้ต้นไม้นั้นไม่ปรากฏว่ามีเงามือดอยู่เลย และในขณะเดียวกันมองหาดวงอาทิตย์ก็ไม่เห็นดูคล้ายๆกับว่าจะมีรังสีแห่งแสงสว่างอันแผ่ซ่านไปอยู่ทุกผลทุกแห่ง เ, เพื่อ น, นของข้าพเจ้าบอกว่าแสงสว่างทั้งหมดนี้มาจากพระองค์ผู้ประทานแสงสว่างให้โดยตรงและแสงนี้ก็เป็นแสงทิพย์ที่ห่อหุ่งและฉายแสงให้แก่ชาวโลกทิพย์อยู่ตลอดกาล ทุกคนทุกแห่งมีความอบอุ่นอยู่ทั่วไปไม่ยากาศเงียบแต่ก็มีลมอ่อนพัดโชยกลิ่นหอมอันชื่นใจมาตลอดเวลาสภาพเช่นนี้มีอยู่ในโลก ค, คิปโดยไม่มีวันเปลี่ยนแปลงสิ่งที่สะดุดใจข้าพเจ้าอีกประการหนึ่งก็คือไม่ปรากฏว่ามีรั้วหรือกำแพงกั้นเป็นเขียแดนให้ทราบเลยว่าสวนของข้าพเจ้าควรจะมีอนาเขตถึงที่ใด เพื่อนของข้าพเจ้าบอกว่าเรื่องเช่นนี้ไม่ต้องมีในโลกทิพย์เพราะทุกคนหรือทุกวิญญาณจะรู้ได้ดีโดยสัญชาตญาณและไม่มีความผิดพลาดว่าอาณาเขตของตนควรจะสิ้นสุดลงแค่ไหนปัญหาเรื่องบุกรุกจึงเป็นอันไม่มีในโลกนี้และข้าพเจ้าจะไปเที่ยวเล่นในสวนของใครเมื่อใดอก็กระทาได้ตามปรารถนา โดยไม่ต้องเกรงผู้ใดจะว่ากล่าวเหมือนอย่างในโลกมนุษย์เลยขณะนี้เพื่อนของข้าพเจ้าได้กล่าวเตือนขึ้นว่าข้าพเจ้ายังเป็นผู้ใหม่ในโลกทิพนี้จึงควรจะหาที่สบายๆ ส, สักแห่งหนึ่งนั่งพักสนทนากันถึงเรื่องต่างๆสักครู่หนึ่งอันที่จริงคำว่าสบายในที่นี้ขอให้ทราบว่าเป็นคาพูดเปรียบเทียบเท่านั้นเอง เพราะไม่ว่ามองไปที่ใดก็ดูเป็นสถานที่ให้ความสบายไปหมดทั้งนั้นและคำว่าความสบายนี้ข้าพเจ้าก็คิดว่าเป็นคำที่ตื้นเหลือเกินจนไม่สามารถจะบรรยายให้เห็นสภาพอันแท้จริงในขนาดนี้ได้เลยในที่สุดเราก็มานั่งพักกันอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่แห่งหนึ่งณที่นี้เราจะเห็นทิวไม้เขียวสดเป็นแนวยาวเหยียดไปสุดสายตา ข้าพเจ้าเอนหลังลงนอนกับพื้นหญ้าอันอ่อนนุ่มอย่างสบายคอยฟังเพื่อนของข้าพเจ้าบรรยายเรื่องน่ารู้ต่างๆให้ฟังต่อไปสิ่งใดก็ตามที่เราได้กระทำไว้เพื่อนของข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นเราจะต้องรับผลของมันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สภาพความเป็นไปที่เราเห็นอยู่ต่อหน้าเราณบัดนี้เช่นบ้านอันสงบสุขก็ดี เราบุคคลผู้ดำเนินชีวิตอยู่ยังสดชื่นรื่นเริงก็ดีล้วนเป็นผลของกรรมที่เขาได้สะสมไว้ในอดีตแล้วทั้งสิน้นในระหว่างบุคคลเหล่านี้เราจะเห็นแต่ละท่านมีทัศนะในทางาศาสนาต่างๆกันเช่นเดียวกับเราเมื่อครั้งท่านเหล่านั้นยังเป็นมนุษย์อยู่ทั้งนี้เพราะในดินแดนแห่งนี้ทุกคนมีสิทธิเลือกชื่อได้ตามมติที่ตนชอบ สภาพแห่งจิตของท่านผู้ผ่านเข้ามาสู่ภูมินี้ก็คงเป็นดังเช่นที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นนั่นเองคือท่านจะมีความอยากและประียแห่งจิตมากน้อยเพียงไรท่านจะมีทัศนะอย่างไรสภาพเหล่านั้นจะยังคงเป็นของท่านต่อไปในโลกนี้อย่างไม่เปลี่ยนแปลงทุกท่านสามารถปฏิบัติาศาสนาิจของตนต่อไปได้ตามเดิมจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านมีความเห็นเองว่า สมควรจะเคลื่อนตนเองขึ้นไปสู่ขั้นที่สูงขึ้นไปกว่านั้นณที่นี้ไม่มีการบังคับให้ผู้นั้นผู้นี้นับถืออย่างนั้นอย่างนี้และมีบทไว้ให้ผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติศาสนกิจได้ปฏิบตัติต่อไปได้ตามเดิมตลอดเวลาเหล่านี้ข้าพเจ้ารู้สึกข้องใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคือรู้สึกอยากทราบเป็นอย่างยิ่งว่า ใครเป็นผู้กรุณาดูแลสวนของข้าพเจ้าให้เรียบร้อยเห็นป่านนี้เพื่อนของข้าพเจ้าดูจะรู้ถึงความคิดข้อนี้ดีทั้งที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้เอ่ยปากพูดออกมาเขาจึงกล่าวว่าทั้งบ้านและสวนนี้ล้วนเป็นผลของกุศลกรรมที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมไว้ในโลกมนุษย์ส่วนการออกแบบหรือดัดแปลงให้มีขึ้นเป็นหน้าที่ของชาวโลกทิพย์ ผู้ที่เคยมีความชํานาญในเรื่องนี้โดยตรงเมื่อครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์ท่านเหล่านี้เมื่อกายทิพย์แยกออกจากชรีรากายมาอยู่ในโลกทิพย์แล้วก็สามารถทํางานที่ตนถนัดต่อไปได้ด้วยความสะดวกยิ่งขึ้นเพราะไม่มีเครื่องทวงให้ขัดท่องต่างๆดังเช่นในโลกมนุษย์ณนะที่นี้ทุกท่านจะทํางานด้วยใจรักในงานนั้นจริงๆ ความสุขของชาวโลกทิพย์อยู่ที่การทำงานให้สำเร็จตามที่ตนสามารถและให้งานนั้นๆเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกด้วยนี่คือรางวัลของการทำงานในที่นี้แต่งานเช่นการก่อสร้างหรือออกแบบสวนของข้าพเจ้านี้เมื่อกระทำแล้วก็ชื่อว่าเป็นอันแล้วกันไปไม่ต้องมีการคอยบารุงรักษาให้เหน็ดเหนื่อยดังเช่นในโลกมนุษย์เลย เพราะที่นี่ไม่มีความชํารุดสุดโสมไม่มีลมร้ายหรือเหตุอันรบกวนทําลายอื่นๆดังเช่นในโลกมนุษย์ตลอดเวลาที่ข้าพาเจ้ายังปรารถนาจะให้มีสวนอยู่ที่นั้นในสภาพเช่นนัานมั น, นก็จะคงอยู่ในสภาพเดิมเรื่อยไปมาถึงตอนนี้ข้าพาเจ้าอดนึกไม่ได้ว่าข้าพาเจ้าควรจะทำงานอย่างใดดีด เพราะดูงานเทศนาสั่งสอนประชาชนให้ละความชั่วดังที่ข้าพเจ้าเคยทำในโลกมนุษย์นั้นจะไม่มีความจำเป็นต้องกระทาอีกแล้วในโลกนี้เพื่อนของข้าพเจ้าจึงกล่าวว่ายังมีเวลาที่จะคิดอีกมากนักในขณะนี้ข้าพเจ้าควรจะพักผ่อนเสียก่อนแล้วจึงค่อยเที่ยวสำรวจดูความเป็นไปในโลกนี้ต่อไป ซึ่งข้าพเจ้าจะต้องได้รับความประหลาดใจอย่างคาดไม่ถึงอีกมากมายนักนอกจากนั้นยังมีมิสหายเก่ า, กาอีกหลายท่านผู้กำลังคอยจะพบข้าพเจ้าอยู่หลังจากที่ได้จากกันมาเป็นเวลานานดังนั้นข้าพเจ้าจึงกลับมายัางบ้านของข้าพเจ้าเพื่อพักผ่อนเสียก่อนตามคำแนะนำของเพื่อน